พระสงฆ์ควรเป็นผู้เสียสละพระสงฆ์เป็นผู้เสียสละไม่ใช่รู้จักแต่กินกับเอามีคนกล่าวว่าพระสงฆ์ไทยเนี่ยรู้จักแต่กินกับเอาแต่ไม่รู้จักคาว่าให้พระสงฆ์ควรจะใช้ธรรมะเผยพร่เทศนาสั่งสอนประชาชนให้เข้าใจธรรมะธรรมโมไม่ใช่มาสร้างเครื่องรางของขลังซึ่งเป็นเรื่องไสยศาสตร์ เอามากลบเกลื่อนคำสอนของพระพุทธเจ้าในเมื่อพระองค์ใดเข้าใจอย่างนี้แสดงว่าเข้าใจศาสนาถูกต้องครูบาเนี่ถ้ายินดีเฉพาะปัจจัยสี่ที่โยมมีศรัทธาถวายเร่งข้อวัดปฏิบัติให้มันเคร่งขึ้นมาเข้าใจว่ามันคงจะไม่ลำบากศรัทธาของประชาชนเนี่ยอย่าว่าแต่เอาอิดเอาปูนมาสร้างโบสถ์สร้างวิหารศาซาลาเนี่ย จะเอาทองมาตีหุ้มเหลืองอรารามก็ยังได้สมัยนี้คนศรัทธาไม่ใช่ย่อยเลยสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ยั่งยืนไม่มีใครคิดเคยไปพูดในที่ประชุมมหาเทราสมาคมคณะธรรมยุทธ์บอกว่าคณะสงฆ์ควรจะมีทุนบำรุงการศึกษาการเผยแพร่ซึ่งเป็นกองกลางของคณะสงฆ์เขาก็เริ่มเหมือนกันแต่ได้เพียงล้านกว่าบาทคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ภาคอีสาน ก็ตั้งเขากันเอาไว้ว่าให้พระสังฆาธิการสละเงินค่านิตยพัดปีละหนึ่งเดือนปรากฏว่ามีเงินอยู่ล้านเศษเราให้ไปล้านหนึ่งมีอยู่สองล้านเศษเท่านั้นครูบารวยๆเนี่ยทำไมไม่คิดอย่างนี้บ้างเนาะศา ส, สนาพุทธเข้ามาสู่เมืองไทยระหว่างพุทธศักราช303หลังจากพุทธะปรินิพานแล้ว303ปี เวลานี้ศาสนาพุทธก็มาอยู่ในเมืองไทย 2,241 ปีคณะสงฆ์แห่งประเทศไทยควรจะมีทุนบำรุงพระพุทธศาสนา 2,241 ล้านแต่นี่ไม่มีสักสตางค์ใครรวยก็ไปเที่ยวประจบเอาหน้าเอาตากับเจ้านายจะคิดว่าเราจะตั้งทุนเอาไว้ให้คณะสงฆ์จัด ก, การศึกษาปริยัติธรรมหรือบำรุงพระศาสนาเนี่ยไม่เคยมีใครคิด หลวงพ่อมาอาศัยเมืองโคราชนี่ไม่เสียชื่อนะขนาดขี้ทุกข์ขี้ยากเนี่ยยังอุตส่าห์ช่วยคณะสงฆ์ไปแล้วห้าล้านแล้วเอาไปทำอย่างอื่นไปก่อเจดีย์สูงจะรถท้องฟ้าไปสร้างแต่วัตถุถ้าหากว่าคณะสงฆ์มีทุน 2,241 ล้านนี่ฝากธนาคารเอาไว้กินดอกเอาดอกมาบำรุงแค่นั้นก็พอละ ว, วัดป่าสารวัตรเรานี่ถ้าพระเนนช่วยกันคิดช่วยกันสร้างโอย ป่านี้มันเป็นมหาเศรษฐีแล้วเดว้ขนาดตะแก่ดันทุรังอยู่คนเดียวนี่มันก็ยังมีน้ำมีเนื้อขึ้นมาบ้าง